เนี่ยนะก็ถ้าเราเทียบ ม, มาจวบ จ, จนปัจจุบันเนี่ยรัฐที่ที่สอนอริยสัจในโลกมีกี่ลัที่เนี่ยนะเผยแพร่ทั่วโลกเนี่ยนะอย่างสมัยก่อนอาจจะแหมเดินทางไม่ทั่วถึงเป็นต้นเนี่ยนะสมัยนี้กดข้อมูลไดจากอินเทอร์เน็ตได้หมดแล้วเนี่ยนะกดข้อมูลแทบจะทั่วโลกมาได้หมดแล้วเนี่ยตหรับตําราห้องสมุดนักเขียนเก่งกาจวิเศษขนาดไหนมาเป็นกี่พันปีก็โดยมากก็มีให้ศึกษาเราบอกว่าคําสอนที่สอน อริยศาสตร์แบบพระพุทธเจ้าสอนนี่มีอยู่ที่ไหนก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเท่านั้นคำสอนที่สอนให้เจริญอริยมรคมีองค์8ดมีอยู่ในพระไตรปิฎกเท่านั้นอย่างอื่นๆโดยมากก็อ้างอิงอิงผิวถูกมั่งอิงผิดมั่งแต่ก็มีการอ้างอิงอยู่บ้างดัะนั้นคำสอนที่สอนให้เจริญอริยมรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดจึงมีอยู่ในพระไตรปิฎกเท่านั้นถ้าพระไตรปิฎกเสื่อม ถ้าพระไตรปิฎกเสื่อมก็แปลว่าผู้ที่ปฏิบัติตามอริยมรักอันประกอบไปด้วยองแปดเพื่อแทงตลอดอริยสัจก็ลดจํานวนถอยลงไปตามจํานวนแก่การศึกษาถ้าศึกษาอริยมรัครอันประกอบไปด้วยองแปดก็ถือว่ายังปฏิบัติบางคนก็บอกว่าอ้านี่ศึกษามรักแปแต่ไม่เห็นปฏิบัติตามมรักแปดเอาเนี่ยนะเคยเห็นคนตาบอดถือดวงประทีปไหม พระนนท่านว่างนันแหละคนตาบอดถือดวงประทีปมันก็ถือไปได้แหละแต่เอาจะไปทําอะไรกับคนตาบอดแล้วเนี่ยนะฉันได้มัน เ, เราเขาก็อย่าไปดูคนอื่นพยายามดูตัวเองว่าตัวเองจเจริญตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปเพราะถึงเอางี้ล้กันถ้าเขาจะเลวเราก็ไม่ได้ตกนรกกับเขาหรอกถ้าเราไม่เลวด้วยอนะถ้าเขาดีเขาบรรลุมรรคผลเราก็ไม่ได้บรรลุด้วยหรอกถ้าเราไม่เอาตามเขาอ่ะเอางี้ล้กัน ถ้าเราไม่เลวแบบพระเทวทัตเราก็ไม่ได้ไปอยู่ด้วยกันกับพระเทวทัตอยู่แล้วถ้าไม่ได้เลวเหมือนนางจินจะมานวิกาเลวเหมือนบริษัทของพร ะ, ะพระเทวทัตหรือไม่ได้เลวแบบคนที่เรียกว่ามีตัวอย่างแน่นอนที่ตกนรกมาแล้วเนี่ยนะถ้าเราไม่ได้เลวอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ตกหรอกใครจะแช่งเราเราก็ไม่ตกหรอกถ้าเราไม่ได้ดีจริงใครจะอัปโลกอภิเสกเศก สันเสริญเยินยอเสกด้วยลมปากก็ตามเสกด้วยข้อเขียนก็ตามถ้าเราไม่ได้ดีปฏิบัติตามอริยมรตมีองค์8เราก็ไม่ได้ดีจริงหรอกเพราะคนจะเลวคนจะชั่วจะเจริญจะตกต่ําก็ไม่ได้เป็นไปตามคําของคนอื่นแต่เป็นเรื่องเฉพาะตัวเพราะฉะถ้าเราปฏิบัติตามอริยมรตอันประกอบด้วยองค์8เราก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้ถ้าไม่เป็นไปตามมรตมีองค์8ก็ไม่สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้เพราะถ้า ปฏิบัติโลกภิกษุเหล่านี้พึงอยู่โดยชอบหมายเขาว่าถ้าทุกคนอยู่ตามปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเพื่ออริยมักเพื่อบรรลุมักผลเนี่ยนะถ้าปฏิบัติอย่างถูกต้องโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันคําว่าอรหันแปลว่าผู้ไกลจากราคะไกลจากโทสะไกลจากโมหะก็แปลอีกในหนึ่งว่าผู้กําจัดราคะได้โดยสิ้นเชิงผู้กําจัด โทสะโดยสิ้นเชิงและผู้กําจัดโมหะได้โดยสิ้นเชิงแต่ไม่ได้หมายว่าเป็นพระาธหานแล้วเกรี้ยวกราดไม่ใช่เนะเพราะพาธฐานคือผู้ที่กําจัดราคะโทสะและโมหะได้อย่างสิ้นเชิงกําจัดโ ล, โ, ล, โ, ลโมโลภโมโทสันได้อย่างสิ้นเชิงเนี่ยกนะำจัดอิจฉาริษยามัจฉริยะเป็นต้นเนี่ยได้อย่างไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะผันพาธหานเนี่ยจึงไกลาจากกิเลสซึ่งไม่เหมือนคนมีกิเลส มันถ้าเราบอกว่าเออเนี่ยเคยมีตัวอย่างคนมีกิเลสพระอรหันเหมือนคนมีกิเลสไหมถ้ามีพฤติกรรมเหล่าใดที่ใกล้ต่อราคะโทสะและโมหะมันก็ไม่ใช่ของพระอรหันอยู่แล้วเพราะพระอรหันเนี่ยตัวเองไกลจากราคะโทสะและโมหะมีพฤติกรรมที่ไกลจากจากเหตุใกล้ต่อราคะโทสะและโมหะเพราะท่านไม่เพลิดเพลินในโสภานิมิตไม่โกรธในปฏิฆานิมิตและไม่ได้อยู่ด้วยความ ลุ่มหลงและงมงายท่านจึงไกลจากกิเลสกําจัดข่าศึกคือกิเลสได้ภายในกําจัดด้วยอรหัตตมรรคเนี่ยนะกำจัดข่าศึกภายในเพชะฆาตภายในได้อย่างเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะแล้วก็เป็นผู้ครูคู่ควรแก่เครื่องสักการะบูชาโดยประการทั้งปวงและพระอรหันต์นั้นน่ยคือผู้ที่ไม่มีบา ป, ปรกรรมอยู่ภายในไม่มีบาปที่พึงทําด้วยกายวาจาและใจอีกเลยเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของท่าน วินยูชนไม่ติเตียนเนี่ยนะเพราะไม่มีโทษพฤติกรรมของพระอรหรัตนต์ไม่เบียดเบียนตัวท่านเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นและไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายท่านเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานและท่านช่วยให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ในโลกนี้ได้รับประโยชน์ในโลกหน้าและช่วยให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่สูงสุดจริงๆนั้นพระพุทธศาสนา ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ถ้ามีการประพฤติดีและปฏิบัติตามที่พระองค์บอกกล่าวบุคคลเหล่านั้นก็ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้เนี่ยนะเพราะฉะถ้าปฏิบัติตามที่พระองค์บอกกล่าวก็โลกไม่ว่างจากพาธฐานคือผู้ที่ทําที่สุดแห่งชราและมรณนะเพราะที่สุดแห่งชราและมรณะคือพระนิพพานที่สุดแห่งชรามรณนะก็ต้องตรัสรู้ ที่สุดแห่งชาติจะรู้ที่สุดแห่งชาติก็ต้องรู้ที่สุดแห่งภพจะรู้ที่สุดแห่งภพได้ต้องรู้ที่สุดแห่งอุปาทานถ้ารู้ที่สุดแห่งอุปาทานได้ต้องรู้ที่สุดแห่งตัณหาถ้ารู้ที่สุดแห่งตัณหาก็ต้องรู้ที่สุดแห่งเวทนารู้ที่สุดแห่งปัสสะสลายตนะรู้ที่สุดแห่งนามรูปรู้ที่สุดแห่งวิญญาณรู้ที่สุดแห่งสังขารและรู้ที่สุดแห่ง อวิชชาเนี่ยนะถ้ารู้ที่สุดแห่งอวิชชาด้วยอรหัตตมรรคได้เนี่ยนะโลกก็พ้นจากอะไรโลกก็พ้นจากชราและมรณะผู้ที่ปฏิบัติเช่นนี้เรียกว่าผ่าอาหารหันเพราะท่านพ้นจากชาติชรามรณะโสกปริเทวทุกโทมณตและอุปายาตเป็นผู้ที่เหลือสริระสุดท้ายคู่ควรแก่การกราบการไหว้เป็นปูชนียบุคคลที่เป็นนาบุญไม่มีนาบุญไหนจะ ยิ่งไปกว่าพระ้าหั่์อีกแล้วพระ้าะ้าหั่นถือว่าสุดยอดของปาฏิปุตริกรทานเนี่ยนะผ้าหั่นคือสุดยอดของปาฏิปุตริกรทานมันผู้ใดที่ยังจิตให้เลื่อมใสในพผ้าหั่์เหล่านั้นในที่สุดก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้เนี่ยนะซึ่งสุภัทภปริภาชกเนี่ยนะเข้าใจอย่างดีเลยนะเข้าเข้าใจมากเลยเข้าใจถึงว่าข้อปฏิบัติที่จะทําให้ ถึงที่สุดแห่งทุกก็คืออะไรก็คืออริยมรรคมีองค์แปดถ้าเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ปดบรรลุเป็นพระสกะพระโสดาบันพระสกะทาคามีพระอนาคามีและพระอาหารหันได้เลยงั้นในข้อหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าถ้าอริยมรรคมีองค์8ปดในมีอยู่ในธรรมวินัยใด พระรยาก็มีอยู่ในธรรมวินัยนั้นและธรรมวินัยที่มีอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดมีอยู่ในเฉพาะธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าพันพระองค์เองเนี่ยตลอดระยะเวลาห้าสิบเอ็ดปีที่ออกบวชมานี่ไม่เคยเห็นมีอยู่ในธรรมวินัยอื่นเลยเนี่ยนะ มันสุภัทะเข้าใจเลยกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักบกเหมือนอะไรเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดเพื่อให้คนผู้มีจักสุเห็นรูปได้ฉันใด พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศ ธ, ธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยนะคือเข้าใจเลยนะว่าคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรและตัวเองนั้นควรจะปฏิบัติอย่างไรก็เลยบอกว่าข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะถึงโลกียะสารณะคมเลยเนี่ยนะ พุทังทำมังสังขังสรารณังฆ่าฉามิทีนี้เมื่อมีสาระแล้วก็ปรารถนาที่จะเจริญกุศลศีลสมถะและวิปัสสนาก็เลยกล่าวเป็นคําขอบวชว่าข้าพระองค์พึงได้บรรปชาอุปสมบทในสํานักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะรู้แล้วว่าคําสอนที่พระองค์บอกกล่าวแนะนําสั่งสอนเนี่ยสามารถทําที่สุดแห่งทุกข์ได้อยากจะใช้ชีวิตปฏิบัติอย่างที่พระองค์บอกเพราะฉะนั้นขอให้ได้บวชแล้วก็ได้ บวชทั้งบวชพระบวชเนเนี่ยนะบวชเนบวชพระในสำนักของพระองค์แล้วก็ปฏิบัติได้ตรัสรู้ตามด้วยพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าดูก่อนสุพัทธะผู้ใดเคยเป็นอัญญาเดียรธีเป็นนักบวชภายนอกมาก่อนเนี่ยนะหวังบรรประชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจะต้องอยู่ปริ ว, ตวาตรเกราวะเข้าอยู่จำตลอดสี่เดือนต่อล่วงผ่านไปสี่เดือนแล้วภิกษุทั้งหลายมีจิตยินดีแล้ว จึงให้บรรดาชาอุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุโดยกติกาธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยนะถ้าเป็นคนรัฐที่อื่นจะมาบวชต้องเนี่ยอยู่ปริวาสแบบเดียร์ทีนี่นะสเดือนทีนี้ไอ้อยู่ปริวาบบนะส อ, อ, วาอันนี้สี่เดือนถ้าวันไหนขาดนับหนึ่งใหม่นะจะต้องไม่มีการขาดในระหว่างเด็ดขาดไม่ใช่แบบขาดๆเกินๆพกระพร่องกระแพ่อ ง, พ อ, งอะไรเป็นต้นไม่จะต้องบริบูรณ์ติดต่อกันสี่เดือนจึงจะพอบวชได้นะ แต่พระองค์ก็บอกว่าเรารู้ความต่างคือบุคคลเนี่ยแตกต่างกันในขอน้อนี้ไม่ได้แปลว่าบทบัญญัติที่พระองค์แต่งตั้งนี้แล้วทุกคนจะต้องเป็นอย่างนั้นพระองค์รู้ความต่างอย่างเช่นสุพัทธะปริภาชกเนี่ยนะเขาบอกเขาเป็นบุคคลพิเศษอนะนี แต่สุพัท ธ, ธปริภาชคนั้นก็เป็นคนที่มีศรัทธาใจถึงะนะเพราะรู้อยู่แล้วว่าคำสอนของพระองค์นั้นนำออกจากทุกได้อย่างแท้จริงเมื่อตัวเองเนี่ยนะมาประสบกับข้อปฏิบัติที่นำออกจากทุกอย่างแท้จริงเพราะนั้นควรที่จะทุ่มเทก็เลยกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหาผู้เคยเป็นอนย่ญญาเดรธีหวังบรรพชาอุปสมบทในธรรมวนัยนี้จาจะต้องอยู่ปริว่าสี่เดือนเมื่อผ่านไปสี่ดวง ผ่านไปสเดือนแล้วพิกษุทั้งหลายมีจิตยินดีแล้วจึงให้บรรพชาอุปสมบทเพื่อความเป็นพิกษุข้าพระองค์จะขออยู่ปริวาสสักสี่ปีเมื่อผ่านสี่ปีไปแล้วขอให้พิสูุทั้งหลายมีใจยินดีแล้วขอให้ได้บรรพชาอุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุมาเถิดเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่เคยทำมาในอดีตจะผิดจะพลาด จะต้องชดใช้ขนาดไหนก็ยอมหมดอนะนะขอให้ได้เจริญงอกงามในาศาสนาของพระ อ, องค์เป็นใช้ได้แบบนั้นเนะี่ยจะทุ่มเทกี่ปีพระ อ, องค์บอกสี่เดือนจะให้ยูสีปีก็ไม่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าใจของท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะใจของท่านนั้นเป็นใจที่น้อมไปเพื่อทําที่สุดแห่งทุกข์จริงๆก็เลยพระ อ, องค์ก็ตรัสว่าอ่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับท่านพระนรว่าดูก่อนอนอนร์ ถ้าเช่นนั้นเธอจงให้โสพธาปริภาชกบวชเถิดท่านทานนนก็ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วโสพธาปริภาชกก็ได้กล่าวกับท่านทานนนว่าดูก่อนท่าน อ, อ น, น์ผู้มีอายุถือว่าเป็นลาบของท่านท่านได้ดีแล้วที่พระาศาสดาทรงอภิเศกด้วยอันเตวาสิกาพิเศษ เรียกว่าเป็นการอภิเสกสิทธิ์เฉพาะหน้าเนี่ยนะเป็นการอภิเสกในที่เฉพาะพระพักในพระาศาสนานี้ก็ถือว่าเป็นหาได้ยากะนะที่พระองค์จะอภิเสกในลักษณะนี้เพราะในลทัทธิอื่นเขาถือว่าอาจารย์อภิเสกลูกสิทธิ์คนใดลูกสิทธิ์คนนั้นถือว่าอยู่ในตําแหน่งของอาจารย์เนี่ยนะมีสิทธิพิเศษเท่ากับ อาจารย์ทุกประการเพราะฉะนั้นท่านถือว่าท่านได้ดีแล้วที่ได้รับอภิเศกอย่างนี้ในเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งท่านสุภัทภอุปสมบทและก็ได้อบัญป ร, รชานะี่นะซึ่งท่านกล่าวว่า <c oughs> ได้ยินว่าพระเทระนําสุภัทธาในไปในที่แห่งหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาน้ำจากคันโทในรถศีรษะ บอกตาจระปัญจกะกรรมฐานบอกเกสาโลมานะขาธันตาตาโจนเนี่ยนะซึ่งก็บอกกายคตาสติหรือบอกกายานุปัสนาสติปทานนั่นเองตาจระปัญจกะกรรมฐานก็คือกายานุปัสนาสติปทาฐานนนะัก็ซึ่งเป็นแนวทางถ้าพูดรูปเวทนาก็อาศัยอะไรเกิดขึ้นก็อาศัยวัตถุคือรูปอาศัยอารมณ์คือรูปนั่นแหละเป็นที่เกิดแห่งเวทนาจิตทั้งหลายก็เกิดร่วมกับ เวทนานิ้วอนและพทชงเป็นต้นเนี่ยนะถ้าผู้ใดจำแนกแยกแยะก็สามารถที่จะแยกแยะที่จะละนิวรนแล้วก็เจริญพทชงซึ่งพระนนก็บอกต่จะปัญจกะกรรมฐานก็ปลงผมนูนวดครองผ้ากาสายะเสร็จแล้วก็ให้ถึงสระคมแบบสัมมณเนณที่ดีทั้งหลายพึงกระทำกันก็ให้ผู้ทางสารณนังขจามิเสร็จแล้วเนี่ยนะบนรรพชาเป็นสนัมณณเรียบร้อยก็เอาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ให้อุปสมบทคือพระองค์เนี่ยนั่งเป็นปรพระองค์เป็นประธานอยู่ตรงนั้นซึ่งคําขอยติบวชนะบวชซึ่งก็ถือว่าพระสุพัทธะเนี่ยน่าเป็นลูกศิษย์ของพระนนเนี่ยนะอุปสมบทแล้วก็บอกกรรมฐานเธอก็เรียนอริยสัจจากพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเรียนกรมนกรมฐานกรรมฐานก็ยังไงก็ต้องเป็นสัจกรรมฐานอยู่แล้วนั่นก็เลยไปพิจารณาอริยสัจในที่จงกรมที่ส่วนแห่งหนึ่งใน อุทยานเนี่ยนะในที่ที่สวนาสาราวโนทยามเนี่ยนะที่เมืองกุสินาราท่านก็ไปเจริญจงกรมพิจารณาอริยสัจภาคเพียนชําระวิปัสนาวิปัสนาก็คือปัญญาที่เห็นทุกขาริยสัจนั่นเองปัญญาที่วิจัยทุกขาริยสัจเพื่อละสมุ ท, ยทัยสัจเนี่ยนะจุดมุ่งหมายเนี่ยนะวิจัยอุปาทานขันห้าพิจารณาอุปาทานขนันห้าเพื่อตัดฉันทะราคะในอุปาทานขนันห้าเพื่อทําที่สุดแห่ง อุปาทานขันห้ามันวิปัสสนาก็นับว่าเป็นสัมมาทิฐิเรียกว่าวิปัสสนาสัมมาทิฐิมันถ้ายกสัมมาทิฐิขึ้นมาแล้วมรรคที่เหลือก็ชื่อว่ากล่าวแล้วเนี่ยนะท่านก็เจริญวิปัสสนาตามวิสุทธิกําหนดรู้ทุกขละสมุ ท, ทยัยธรรมนิโรธให้แจ้งตามลําดับโสดาปติมักสกธาคามิมกักอนาคามิมกักแล้วก็อรหัตตมัตอรหัตตมัตเนี่ยนะบรรลุปฏิสัมพิธาพอบรรลุเป็นพระารหารแล้วก็ มาถวายบังคมพระพุทธเจ้าก็เลยกล่าวว่าโสพัทนนั้นหลังจากบวชแล้วไม่นานหลีกออกไปอยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทในการนะนคำว่าไม่ประมาทก็คือไม่ปล่อยจิตไปในบาปอากุศลธรรมทั้งหลายภาคเพียนให้กุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นให้กุศลที่เกิดขึ้นแล้วเจริญ ง, งอกงามไพบูร์บริบูร์ยิ่งยิ่งขึ้นไปมีความเพียน มีตนส่งไปโดยไม่อะไรในร่างกายและชีวิตปฏิบัติอยู่อย่างนี้ไม่ช้านานนักเนี่ยนะก็ตรัสรู้ก่อนสว่างกันแล้วกันเนี่ยนะตรัสรู้แปลว่าไม่นานอาจจะไม่กี่ไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยนะในที่สุดก็ทําที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันเป็นที่อันยอดเยี่ยมนี่ยนะที่สุดแห่งพรหมจรรย์พรหมจรรย์คืออริยมรรยเนี่ยนะมีโสดาปติมรรยจนถึงอรหัตมรรค์ที่สุดแห่งพรหมจรมจออรย์รยนะรรรรก็คืออรหัตผลนั่นเองสูงสุดเนี่ยนะก็ ที่กุลบุตรทั้งหลายผู้มีความต้องการคือโดยมากกุลบุตรที่ออกจากเรือนเนี่ยนะบวช ด, ด้วยศรัทธาจริงๆแล้วต้องการอารหัตตะผลสําหรับผู้ที่ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตพันผู้ที่ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตปฏิบัติอย่างถูกต้องด้วยปัญญาแล้วถ้าเจริญอย่างนี้ก็สามารถแทงตลอดอรหัตตผลได้ในทิฏฐธรรมแปลว่าในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วรู้ชัดว่าการปฏิสนธิในนรกเปรตอสุรกายเดรชานการปฏิสนธิในมนุษย์เทวดาปฏิสนธิเป็นสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าหรือปฏิสนธิเป็นสัตว์มีสัญญาณไม่มีสัญญาณเนวะสัญญาณนาสัญญาหรือเกิดในการมมาพบรูปประพบอรูปประพบรู้เกิดในพบสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิตฐิเจ็ดสัตตาวาท เเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วอริยมรรคพรหมจรรย์โสดาปติมรรคสกธาคามิรรคอนาคามิมรรคอรหัตธรรมก็อยู่จบเบ็ดเสร็จแล้วกิจการในการกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคระดับโสดาปติมรรคสกธาคามิรรคอนาคามิรรคและอรหัตมรรมสรุปว่ากิจในอริยสัจสี่กิจสิบหในอริยสัจสี่ที่ควรทําก็ทําเสร็จสิ้นแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นธาตุหันไม่ได้มี นะกิจที่จะต้องไปปฏิบัติให้เป็นผ้าหาันโดยพิเศษอย่างอื่นอีกก็ไม่มีเพราะฉะนั้นท่านโสพธธัทธะก็ได้เป็นพระ้าหัน ร, รูปหนึ่งในจํานวนพระ้าหันทั้งหลายและที่สําคัญท่านเป็นสัก ข, ขิสาวกอ ง, องค์สุดท้ายของพระผู้มีพระภาคเจ้าคําว่าสัก ข, ขิสาวกหรือว่าปัติชิมสัก ข, ขีสาวกเนี่ยนะเรียกว่าเป็นพยานองค์สุดท้ายนะสัก ข, ขีพยานองค์สุดท้ายที่บรรลุตาม พระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์มีพระชนอยู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่เรียกว่าบวชตอนที่พระองค์มีพระชนอยู่บวชเสร็จแล้วก็บรรลุเป็นพารหันเนี่ยนะตอนที่พระองค์มีพระชนอยู่ก็เลยเรียกว่าปัจฉิมสักขีสาวกเพราะท่านได้บวชในสำนักพระพุทธเจ้าเรียนกรรมฐานในสำนักขพระพุทธเจ้าและบรรลุเป็นพาดหันตอนที่พระองค์ยังมีพระชนอยู่นั่นเองเนี่ยนะ นั้นท่านพระสุภัทธะก็ถือว่าเป็นสุ ป, ปฏิปันโนผู้ปฏิบัติีปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อบรรลมุมรผลในที่สุดก็ได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะส่วนหัวข้อสําคัญเกี่ยวกับโอวาทพระภิสุสงเนี่ยนะที่กล่าวว่าศ า, าสนาหรือคําสอนของพระองค์จะเป็นศาสดาเนี่ยนะเมื่อพระองค์ล่วงไปนั้นก็ถือว่าเป็นเนื้อหาสาระที่มีความสําคัญมากเขาเป็นพรุ่งนี้ต่อไปแล้วกันเนี่ยนะ สำหรับวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้มันท่านพระสุภัททะตรัสรู้รมใดแล้วทาที่สุดแห่งทุกข์ขอเราทั้งหลายเป็นผู้มีส่วนได้ตรัสรู้ธรรมนั้นด้วยการทุกท่านเทินนัเอ